ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วนี่นะบัดนี้มาขึ้นถึงเนคขมมะบารมีเนคขมมะบารมีนั้นโดยเนื้อหาอัฏฐสาระก็คือการจา ก, การออกจากบาปออกจากอากุศลการออกจากอากุศลได้จริงๆนั้นทำเต็นที่ออกจากอากุศลตรงๆ ต, ตัว แล้วก็เป็นการออกจากบาปออกจากอากุศลได้เด็ดขาดมั่นคงถาวรเรียกว่าแน่นอนเลยธรรมะอันนั้นก็คือพระนิพพานการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็เพื่อบรรลุพระนิพพานหรือเพื่อทาให้แจ้งพระนิพพานทั้นการเจริญกุศลไม่ว่าจะเป็นกุศลระดับไหนก็ตามก็เป็นการออกจากบาปออกจากอากุศลแต่การออกจากบาปออกจากอากุศลได้ แน่นอนสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ต่อเมื่อแห่งตลอดพระนิพพานนันเองทีนี้อุบายที่จะทำให้ได้เจริญกุศลได้อย่างมากและก็ต่อเนื่องท่านบอกว่าการบวชละการเว้นรอบคือผู้ไม่ครองเรือนนั้นสามารถที่จะประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติกุศลธรรมให้ยาวและต่อเนื่องแต่นิยามของคำว่าเนคขมมะจริงๆนั้นหมายถึงการออกจากบาป ออกจากอากุศล น, นี่พระองค์ตรัสเล่าให้ภาษาริบทฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีเจริญวัยในเรือนเหล็กมีนามว่าอโยคราอโยครานี่แปลว่าเรือนเรือน เ, เหล็กนะครานี่แปลว่าเรือนอายะแปลว่าเหล็กลว่าเกิดที่บ้านเหล็กอยู่ที่บ้านเหล็กเจริญเติบโตอยู่ในบ้านเหล็ก พระบิดาได้ตรัสว่าเจ้าได้รับความทุกข์ตั้งแต่เกิดมาเขาเลี้ยงเอาไว้ในที่แคบลูกเอ๋ยวันนี้จงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้นพร้อมทั้งเว่นแคว้นพร้อมทั้งชาวนิคมและบริวารชนนี้เถิดเราถวายบางคมจอมกษัตริย์แล้วก็ประคองอัญชลีได้ทูลดังนี้ว่าบรรดาสัตว์ในแผ่นดินบางพวกตาช้า บางพวกอุกฤษบางพวกปานกลางคือว่าคนในแผ่นดินนี้แบ่งออกเป็น3ระดับระดับเลวระดับสูงแล้วก็ปานกลางระหว่างเลวกับสูงสัตว์ทั้งหมดนั้นไม่มีการอารักขาเขาที่เกิดมาทั้งหมดนั้น่ะเขาไม่มีใครมาคอยรักษาขนาดนั้นเจริญอยู่ในเรือนของตนพร้อมด้วยหมูญาติแต่การเลี้ยงดูฆ่าพระบาทในที่คับแคบนี้ไม่มีใครเหมือนในโลกถือว่าตัวเองนั้น เป็นผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความทุกข์ยากลำบากต้องเลี้ยงดูอยู่ในที่คับแคบไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นข้าพระบาทเติบโตอยู่ในเรือนเหล็กเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ที่ไม่มีรมัศมีข้าพระบาทประสูติจากพระคันมารดาอันเต็มไปด้วยซากศพเน่าแล้วยังสุกยังถูกใส่เอาไว้ในเรือนเหล็กซึ่งมีทุกข์ร้ายกว่านั้นอีก ข้าพระบาทได้รับความทุกข์อย่างร้ายแรงอย่างยิ่งเช่นนี้แล้วถ้ายังยินดีในราชสมบัติก็เป็นผู้เลวทามกว่าคนเลวทามทั้งหลายคือถ้าเราเกิดมาแล้วก็ถือว่าอยู่ในเหมือนก็อยู่ในคูนรกอยู่แล้วคลอดออกมาก็อยู่ในเหมือนก็อยู่ในคุกอยู่ในเรือนขังชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์เช่นนี้ถ้ายังยินดีในสมบัติอีกก็ถือว่าเป็นคนเลวยิ่งกว่า คนเลวทั้งหลายเนี่ยถือว่าตกต่ำที่สุดแล้วในบรรดามหมู่คนข้าพระบาทเป็นผู้เหน็ดเหนื่อยในกายไม่ต้องการด้วยราชสมบัติข้าพระบาทจะสแสวงหาทำเครื่องดับซึ่งเป็นที่มัจจุราชพึงย่ายีข้าพระบาทไม่ได้เราคิดอย่างนี้แล้วเมื่อมหาชนร้องให้คร่าครวรอยู่ได้ตัดเครื่องผูกเสียจแล้วเข้าไปยังป่าเหมือนช้างฉะนั้น เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หาไม่จะเกลียดยศักดิ์อันใหญ่หลวงก็หาไม่ได้แต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัติชนี้แลันการที่สละออกทั้งหมดก็สละเพื่อโพธิยานนะเพื่อสัพพัญยุตยานเรื่องของอโยคะจริยานเนี่ยตามอัตตกถาทียานะ่ยกข้อความในพระไตรปิฎก อัตกรถาว่าเรื่องโดยย่อมีอว่าชาติที่พระองค์เนี่ยนะชื่อว่าอโยคระนั้นในอัตภาพก่อนทางอพพัพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสีมีหญิงร่วมสามีทีนี้ก็แบบว่าผู้ชายมีภริยาหลายคนนระหว่างภริยาสองคนเนี่ยมันก็ผูกเวรซึ่งกันและกัน ผนะูกเวรผูกพยาบาทอีกคนหนึ่งได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราพึงกินบุตรที่เกิดแล้วเกิดแล้วของเจ้าเสร็จแล้วผู้หญิงที่ผูกเวรก็มาเกิดในกำเนิดของนางยักษณีนะฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งก็มาเกิดเป็นอัครมเหสีครั้นได้โอกาสในการที่อัครามเหสีนั้นประสูติจึงกินท่าโอรสเสียสองครั้งมีลูกลูกก็เรียกว่า องคแรกองค์ที่หนึ่งก็ถูกยักษ์กินองค์ที่สองก็ถูกยักษ์กินแต่ในครั้งที่สพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัครมเหสีนั้นพระราชาก็ปรึกษากับพวกมนุษย์ว่านางยักษินีตนหนึ่งกินโอรสที่เกิดแล้วของพระเทวีเราควรจะทําอย่างไรดีมนุษย์ทั้งหลายก็ทูลตอบว่าธรรมดาอาหมนุษย์คือยักษ์เนี่ยย่อมกลัวเรือนเหล็ก จึงรับสั่งให้ช่างเหล็กเนี่ยสร้างเรือนเหล็กใหญ่เป็นโรงสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมุงเรือนทั้งหมดสําเร็จด้วยเหล็กทุกอย่างเสร็จทําด้วยเหล็กทั้งหมดเลยโครงสร้างทั้งหมดนะนับตั้งแต่เสาเป็นต้นทำทำด้วยเหล็กหมดเลยคิดดูนะถ้าเรือนเหล็กเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนทุกอย่างเป็นเหล็กหมดเนี่ยร้อนระอุแน่แสดงว่าก่อนชาตินี้มานีไม่รู้ไปทํากรรมขุมขังใครมาไม่ทราบเลนะ ตัวเองก็เลยถูกอยู่ในเรือนจําคือเหล็กไงนะอยู่ในเรือนเหล็กที่ร้อนระอุและอบอ้าวไอเรือนเหล็กเนี่ยนะถ้าร้อนมันก็ร้อนหูดับเหมือนกันร้อนก็ร้อนจริงๆเลยแหละถ้าหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งเย็นอย่าเยือกหมดเลยทีนี้พอสร้างเรือนเหล็กสําเร็จก็ให้พระเทวีที่ทรงพระคันแก่ประทับอยู่ณเรือนเหล็กนั้นพระเทวีประสูตรพระโอรสมีบุ ญ, ญลักษณะดีณเรือนเหล็กนั้นขนานนามว่าอโยคระกุมาร พระราชาทรงให้พระกุมารนั้นแก่พวกแม่นมจัด ก, การอารักขาใหญ่โตนะหลังจากคลอดเสร็จก็นําพระเทวีเข้าไปภา ย, าภายในที่ประทับก็กลับไปอยู่ที่วังตามเดิมส่วนกุมารนี่ก็ให้เลี้ยงดูอยู่ที่นั้นฝ่ายนางยักษ์ศรีนั้นถึงวาระไปตักน้ํานําน้ําไปนะเอาไปให้ทาเวศวรรันก็สิ้นชีวิตไป แต่ทีนี้ยักษ์นี่ตายไปแล้วอ่ะแต่ว่า ก, กลัวยักษ์โรค ก, กลัวยักษ์ก็ยังคงอยู่ก็เลยบอกว่าให้ลูกเนี่ยอยู่ที่เรือนเหล็กต่อไปพระโพธิสัตว์จึงเจริญอยู่ในเรือนเหล็กนั่นเองถึงความเป็นผู้เรียนศิลปะทั้งปวงในเรือนเหล็กก็เจริญเติบโตจนมีอายุ16ปีพระราชาก็ทรงทราบว่าพระโอรสมีพระชน16พรรษาจึงรับสั่งกับพวกอมตว่าเราจักมอบราชสมบัติให พวกท่านจงนําโอรสของเรามาเถิดพวกอมาม่าก็กราบทูลรับพระบัญชาแล้วก็ทรงให้ตกแต่งพระนครนํามงคลหัตถีประดับด้วยเครื่องศัพท์พลังการไปณนะที่นั้นตกแต่งพระกุมารให้ประทับนั่งที่คอมงคลหัตถีกระทําประทับศิลพระนครนะก็เกิดมาจริงๆก็ไม่เคยไปเที่ยวนอยู่แต่ในเรือนเหล็กทันก่อนที่จะเข้าไปที่พร ะ, พ ร, ะราชวังของพระราชบิดา ก็ให้ขี่ช้างประาพาสเมืองก่อนขี่ช้างเที่ยวรอบเมืองกรพระราชาเนี่ยนะทอดพระเนตรเห็นผวรกายของพระโอรสที่งดงามจึงท่งกอดพระโอรสนั้นด้วยความิเนหาอย่างแรงนนะรักลูกมากเห็นแล้วก็รักก็เลยรับสั่งกับพวกอมสาธว่าพวกเจ้าจงอภิเสกโอรสของเราในวันนี้แหละพระโพธิสัตว์ก็ถวายบังคมพระชนกแล้วก็ทูลว่าม่อมฉันไม่ต้องการราชสมบัติ หม่อมฉันจักบวชขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้หม่อมฉันบวชเถิดพระเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วก่อนก่อนหน้านี้นะพระโพธิสัตว์นี้ก็ถามพ่อซึ่งข้อความในชาดกเนี่ยกล่าวไว้ดี ซึ่งข้อความในอัตถกถาชาดกกล่าวว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะในเรื่องในชาดกเมื่อพระเจ้าพระมทัศสวยรายสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระอัครมเหสีของเท้าเธอในทรงพระคันได้รับการบริหารพระคันเป็นอย่างดีจนพระคันแก่แล้วประสูตรพระราชโอรส ในระหว่างเวลาปัจจุสมัยใกล้รุ่งในพบก่อนมีสตรีผู้หนึ่งร่วมสามีเดียวกันกับพระนางเทวีนั้นมีความปรารถนาไว้ว่าขอให้เราได้กินลูกของ่านที่คลอดแล้วที่คลอดแล้วได้ยินว่าสตรีผู้นั้นตนเองเนี่ยเป็นหญิงเป็นหญิงหมันทำความปรารถนาเช่นนั้นเพราะความโกรธต่อสตรีที่มีบุตรแล้วก็ได้บังเกิดในกาเนิดของนางยักษณี ผูกเวรนะนะผูกเวรนะ ว, ว่าด้วยกรรมอันนี้ก็ขอให้แรงพยาบาทขอให้ได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกก็ขอให้กินลูกเขาได้สตรีที่มีบุตรนั้นได้มาเป็นพระอัครมหเหสีของพระเจ้าพรหมทัตจนคลอดพระโอรสองค์นี้คราวนั้นนางยักษณีได้โอกาสจึงแปลงกายมาเมื่อพระเทวีทอดพระเนตรดูอยู่นั่นแลตรงเข้าไปจับทารกนั้นแล้วก็หนีไป พระนางเทวีก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่านางยักษินีจับโอรสของเราหนีไปแล้วฝ่ายนางยักษินีก็กัดกินทารกทำเสียงมรุมรุกแค่ว่า ก, กรอบนั่นแหละนะเหมือนกินเง่าบัวแสดงท่ายกมือชี้หน้าคุกคามพระเทวีแล้วก็หลีกไปพระราชาได้ฟังพระสาวนีของพระเทวีก็ดำเดิว่าฉะนานางยักษินีจึงบังอาจกระทา แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยได้แต่นิ่งเฉยเสียในการที่พระเทวีประสูตรพระอรรอีกองค์หนึ่งเท้าเธอก็มีการจัดอารักขาอย่างมั่นคงพระเทวีก็ประสูตรพระอรรถอีกเป็นคำรบสองนางยักษินีก็มาเคี้ยวกินพระกุมารนั้นแล้วก็หนีไปอีกในวาระที่สพระโพธิสัตว์เจ้าถือปฏิสนธิในพระคานของพระเทวี พระราชามีพระองค์การให้มหาชนมาประชุมกันตรัสถามว่ายักษินีตนหนึ่งมากินโอรสที่ประสูดจากพระเทวีของเราทุกคราวควรจะจัดการสถานใดเดนนะก็ปรึกษาครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งก็กราบทูลว่าขอเดชะธรรมดานางยักษินีย่อมกลัวใบาตาลควรที่จะผูกใบาตาลเอาไว้ที่พระหัตถ์และพระบาททั้งสองของพระเทวีพวกนี้ถือนับถืออาคมขลังใช่ไหม มันก็เอาใบตาลครัเขียนเป็นยันเป็น ม, น, มนก็มาผูกมือผูกเท้าเอาไว้แบบนังง้นอีกคนหนึ่งก็บอกขอเดชะธรรมดา น, นางยักษ์ศีนี่ย่อมกลัวเรือนเหล็กควรจะทําเรือนเหล็กเอาไว้พระเจ้าค่ะพระราชาก็สั่งวาสาทุแล้วก็รับสั่งให้ช่างเหล็กทั้งหลายในแว่นแคลนของพระองค์มาประชุมกันพระองค์ก็ทรงบัญชาว่าท่านทั้งหลายช่วยกันทําเรือนเหล็กให้เราก็โปรดให้ราชบุรุษผู้ดูแลคอยกํากับการ ช่างเหล็กทั้งหลายจึงก่อสร้างพระตำหนักขึ้นณนะภูมิภาคอันน่ารื่นรมภายในพระนครนั่นเองสัมภาระแห่งพระตำหนักทุกอย่างตั้งแต่เสาเป็นต้นล้วนแล้วไปด้วยเหล็กทั้งนั้นตำหนักรูปทรงเจ็ดตัวรมุขหลังใหญ่ล้วนแล้วไปด้วยเหล็กสำเร็จลงโดยเวลาเก้าเดือนพอรู้ว่ามีพระเชรสแค่นั้นนะสั่งสร้างเรือนเหล็กเสร็จใช้เวลาเก้าเดือนพระตำหนักนั้นงามรุ่งเรือง เท่าเทียมกับแสงประทีปอันโพลงอยู่เป็นนิดพระราชาทรงทราบว่าพระราชเทวีทรงพระคันแก่แล้วจึงตรัสสั่งให้ประดับตกแต่งพระตำหนักเหล็กพาพระนางเทวีไปประทับอย่างตำหนักนั้นพระเทวีก็ประสูติพระราชโอรสสมบูรณ์ด้วยทัญญบุญยลักษณะณพระตำหนักเหล็กนั้นพระราชากับพระอัครมเหสีก็ทรงพระราชทานพระนามราชโอรสว่าอโยคุรุมาร พระราชาก็มอบพระกุมารแก่พระพี่เลี้ยงนางนมจัดแจงอารักขาอย่ายิ่งแล้วก็พาพระราชเทวีกระทำประทักษิณเสด็จเลียบพระนครเสด็จขึ้นสู่พื้นปราสาทอลงกตเนี่ยนะฝ่ายยักษิณีถึงเวรตักน้ําก็ไปตักน้ําถวายท้าเวสวรรก็ถึงความสิ้นชีวิตพระโพธิสัตว์เจ้านะั้นก็เจริญเติบโตอยู่ในตำหนักเหล็กนั่นเองจนรู้เดียงสาศึกษาศิลปะวิทยาทุกอย่างที่นั้น พระราชาก็ตรัสถามถึงหมูอมมาศว่าโอรสของเราเนี่ยมีพระชันษาได้เท่าไหร่พระองค์ก็ฟังว่าพระโอรสมีพระชันษาสิบห้แกล้าสมบูรณ์ด้วยพลานามัยสามารถจะต่อสู้ยักษ์แม้ตั้งพันนะเป็นเป็นชายหนุ่มที่เก่งมากเพราะร่ำเรียนกระบวนวิชาจบทุกอย่างเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าเราจะมอบราชาสมบัติให้โอรสของเราท่านทั้งหลายจงจัด ให้เกิดมีการตกแต่งทั่วพระนครแล้วเชิญพระโอรสของเราออกจากตำหนักเหล็กออกจากพระตำหนักเหล็กมายังพระราชฐานอาหมัทั้งหลายก็รับพระราชองค์การว่าดีละพระเจ้าข้าเสร็จแล้วก็ให้พนักงานตกแต่งพระนครพาราสีอันมีปริมนทนได้สิบสองโยต์เสร็จแล้วก็นํามงคลหัตถีอันเพลิดเพลียไปด้วยสัพผ้าลังการ ว่าเป็นช้างทรงที่ประดัตบตกแต่งอย่างสมบูรณ์ไปไปยังพระตำหนักเหล็กนั้นประดัตบตกแต่งพระราชกุมาร น, นั้นแล้วก็ทูลเชิญให้ประทับเหนือมงคลหัตถีแล้วก็ทูลว่าขอเดชะพระกุมารผู้ประเสริฐขอเชิญพระองค์ทรงทําประทับศิลเลียบพระนครอันอลงกตซึ่งเป็นมรดกแห่งรา ช, ชาตระกูลเสร็จแล้วก็เสด็จไปถวายบังคมพระเจ้ากาสิกราชผู้พระราชบิดา พระองค์จักได้สเสวตฉัตรในวันนี้แหละพระเจ้าค่าเมื่อพระโพธิสัตว์ทำการประทักศิลระนครอยู่พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นพระราชอุทยานเห็นแนวป่าเห็นสะบกกรณีเห็นภูมิภาคและปราสาทราชวังอันน่ารื่นรมเป็นที่น่ายินดีเป็นต้นเสร็จแล้วพระองค์ก็จินตนาการว่าพอเห็นอย่างนั้นก็มาคิดแล้วนะว่าพระราชบิดาของเราให้เราอยู่ในเรือนจาตลอดการเพียงนี้ พ่อของเราไม่น่าเลยสั่งให้เราจำคุกตลอดตั้งสิบหกปีเนี่ยนะอยู่คุกมาตลอดส6ปีไม่ให้เราได้เห็นท่าคนครอันตกแต่งงดงามเห็นป่านนี้เลยโทษผิดของเราเนี่ยมีอย่างไรเนอไปทำความผิดทำอะไรมาจึงถูกขังคุกตั้งกับเล็กกันน้อยอะนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสถามพวกอมาดอมาดก็กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ โทษคือความผิดของพระองค์ไม่มีเลยพระเจ้าค่ะแต่นางยักษินีตนหนึ่งมาเคี้ยวกินพระเชษฐาธิราชของพระองค์ถึงสองพระองค์เพราะเหตุนั้นพระราชบิดาของพระองค์จึงโปรดให้พระองค์อยู่ในตำหนักเหล็กพระองค์รอดพระชนชีพมาได้เพราะตำหนักเหล็กแท้ๆพระเจ้าค่าอโยครากุมารพอฟังคำของอมัดกราบทูลอย่างนั้นก็คิดว่า เรานี้อยู่ในคันของพระมารดาสิบเดือนเหมือนอยู่ในโลหะกุมพีนรกและเหมือนอยู่ในคูนรกนับตั้งแต่คลอดออกจากพระคันของพระมารดาแล้วต้องอยู่ในที่คุ้มขังอยู่ในคุกอีก16ปีไม่ได้โอกาสที่จะได้ดูโลกภายนอกเลยเหมือนตกอยู่ในอุสุธรกฉะนั้นแม้เราจะพ้นจะพ้นจากเงื้อมือของ น, นางยักษินีมาได้ ก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นไปจากความตายได้ถึงเราจะพ้นจากคนอื่นมาฆ่าเรานะแต่เราก็ไม่ได้พ้นจากความตายประโยชน์อะไรเนาะด้วยราชาสมบัติแก่เรานับแต่วาระที่ได้ดำรงอยู่ในราชาสมบัติแล้วการที่เราจะออกบวชยากงั้นนะถ้าหากเสวยราชาสมบัติแล้วยากที่จะได้บวชเราจะให้พระราชบิดาทรงอนุญาตการบรนประชาแกเรา แล้วก็ไปสู่ป่าหิมพานต์บวชเสียในวันนี้ทีเดียวพอเห็นบ้านเห็นเมืองอาโอ้โหวันนี้บวชแล้ววันนั้นครั้นพระราชกุมารทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปสู่รา ช, ชตระกูลถวายบังคมพระราชบิดาแล้วประทับยืนอยู่พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรศรีระโสภาแห่งพระโอรสแล้วพระองค์ก็เกิดความเสนหารักใคร่เป็นกําลังจึงชำระลองดูหมู่อมรตอมรตก็กราบทูลว่าขอเดชะ จะโปรดให้พวกข้าพระพุทธเจ้าจัดแจงอย่างไรต่อไปเท้าเธอจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงให้โอรสของเราเนี่ยประทับเหนือกองรัตนะแล้วก็สงด้วยน้ำสังสามอย่างแล้วกส็สอดสวมการจนา ม, มาลาคือพวงมาลัยทองคำแล้วก็ยกสเสวตชัดขึ้นพระโพธิสัตว์นพอได้ยินอย่างนั้นก็ทูลคัดค้านพระราชบิดาว่า ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าจกบวชขอพระองค์ได้โปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชด้วยเถิดพระเจ้าพรมทัตจึงตรัสว่าลูกรักเจ้าบอกคืนราชสมบัติแล้วจักบวชเพราะเหตุอะไรทําไมทําไมจึงบอกคืนนะนะเรียกว่าวันที่ยกทรัพย์มรดกอันนี้ให้โดยมากเขายินดีกันทั้งนั้นแลทําไมเจ้าจึงออกบวชล่ะ พระโพธิสัตว์ก็ทูลตอบว่าขอเดชะพระราชบิดาผู้ทรงคุณอันประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระคันของพระมารดาสิบเดือนเหมือนอยู่ในคูนรกประสู่จากพระคันแล้วก็ต้องอยู่ในที่คุ้มขังถึง16ปีไม่ได้โอกาสที่จะได้เห็นโลกภายนอกได้เพราะภัยอันเกิดแต่นางยักษินีได้เป็นเหมือนตกอยู่ในอุออสุทนรกเนี่ยนะ ถึงจะพ้นจากเงืม้อมือของนางยักษสินีแล้วก็ใช่ว่าข่าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนไม่แก่ไม่ตายก็าหาไม่ได้ถึงจะพ้นจากการฆ่ายังไงก็ไม่พ้นจากความตายขึ้นเชื่อว่ามรรตยุราคือความตายนี้ใครๆไม่อาจจะชนะได้ไม่มีใครที่จะหลอกพยามัจจุราชได้แกล้งหลอกความตายดูในหลอกได้ไหมไม่ได้ข่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เอือมระอาในภพ ข้าพระพุทธเจ้าจากบวชประพฤติ ธ, ธรรมจนกว่าความแก่ความตายความเจ็บป่วยจะไม่มาถึงพระพุทธเจ้าข้าะจะขอไปประพฤติ ธ, ธรรมเพื่อให้พ้นจากความแก่ความป่วยและความตายข้าพระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาราชสมบัติขอเดชะพระราชบิดาผู้ทรงคุณอันประเสริฐโปรดทรงอนุ ญ, ญาตให้ข้าพระองค์บวช ด, ด้วยเถิดซึ่ง จริงๆแล้วพระราชาก็บอกว่าเจ้านี้ได้รับความทุกข์มาตั้งแต่เกิดเขาเลี้ยงเจ้าเอาไว้ในที่คับแคบลูกเอ้ยวันนี้จงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้นพร้อมทั้งแว่นแคว้นพร้อมทั้งชาวนิคมและบริวารชนนี้เถิดอันนี้ในเจริยาปิดกกล่าวอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็ทูลคัดค้านนะคัดค้าน <c oughs> เหตุผลหลักก็คือบอกว่า บรรดาสัตว์ที่อยู่ในแผ่นดินใช่บางพวกก็เป็นคนอุกฤตบางพวกก็เป็นคนตากลางบางคนก็เป็นคนชั้นต่ people, ําเขาเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่เห็นมีใครต้องคอยปกปักรักษาอารักคากันขนาดนี้ทุกคนก็อยู่ในบ้านอยู่ในเรือนอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่กันทั้งนั้นแต่การเลี้ยงดูค่าพระบาทนี้เลี้ยงดูแต่ในที่คับแคบเหมือนอยู่ในโลกเติบโตก็เจริญเติบโตในเรือนเหล็ก เหมือนท่าจันทาทิศที่ไม่มีรัศมีประสูตดจากพระคันของพระมารดาอันเต็มไปด้วยซากศพเน่าแล้วก็ยังถูกขังเอาไว้ในเรือนเหล็กซึ่งมีทุกร้ายแรงยิ่งกว่านั้นอีกข่าพระบาทได้รับความทุกร้ายแรงเช่นนี้แล้วถ้ายังยินดีในราชสมบัติก็ถือว่าเป็นผู้เลวยิ่งกว่าคนเลวซามทั้งหลายนะนี่แว่าเป็นคนเลวซามยิ่งกว่าคนเลวซามทั้งหลายเหมือนกัน ในอันธกถาจริยาปิฎกหน้า408ยอดหน้าล่างบอกว่าอันหนึ่งเพื่อทราบคําอธิบายเหล่านั้นว่าพระโพธิสัตว์นี้ทรงแน่พระไทยในการบวชของพระองค์อย่างนี้แล้วพระรงค์ก็ตรัส เ, เมื่อพระราชาบอกว่าลูกรักลูกจะบวชไปทําไมก็บอกกับพระราชาว่าลูกอยู่ในครันของพระชนนีตลอดสิบเดือนเหมือนอยู่ในคูตรกครั้นออกจากพระคันของพระชนนีแล้ว ก็ยังต้องอยู่ในเรือนจำอีกถึง16ปีเพราะกลัวนางยักษ์ศีไม่ได้เห็นแม้แต่ภายนอกเหมือนตกอยู่ในอุสุธานรกแม้ลูกจะพ้นจากนางยักษิศีก็ไม่พ้นจากความแก่และความตายไปได้เลยขึ้นชื่อว่าความตายนี้อันใครๆไม่สามารถจะชนะได้ลูกเบื่อหน่ายในภพลูกจากบวชประพฤติธรรมจนกว่า ความป่วยความแก่และความตายจะไม่มาถึงลูกพอกันทีสำหรับราชสมบัติของลูกข้าแต่พระชนกขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ลูกบวชเถิดขออนุญาตขอบวช น, นะคำอนุญาตขอบวชในอัตะพุทธพจน์ในชาดกบอกว่า สัตว์ถือปฏิสนธิกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามย่อมอยู่ในคันมารดาก่อนสัตว์นั้นย่อมเกิดเพราะกําลังลมย่อมไปสู่ความเป็นกาละะเป็นต้นย่อมไม่ย้อนกลับมาสู่ความเป็นกาละะเป็นต้นอีกคือทางภาษาธรรมะนั้นถือว่าการเกิดขึ้นครั้งแรกเป็นหยาดน้ําใสกลายเป็นสีน้ําขุ่นข้นแล้วก็เจริญเป็นคล้ายก้อนเนื้ อ, อะนะเจริญเติบโตกลายเป็น แบ่งเป็นปัญจะนะนะปัญจะสาขาเป็นปุ่มนะเป็นแตกเป็นห้าปุ่มก็ตามที่เราสมัยใหม่ก็เห็นภาพกันชัดเจนอยู่แล้วนะตั้งแต่ปฏิสนที่เป็นกละละเนี่ยนะเป็นหยาดน้าใสาๆเพิ่มไล่มาเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เคยมีใครย้อนกลับไปเป็นแบบนั้นอีกเลยเฉพาะชาตินี้นะพูดถึงชาตินี้เนี่ยไม่มีใครย้อนกลับไปหาสภาพแบบเดิมอีกเลย นรชนทั้งหลายจะยกพลโยธายุทธนาการกับชราพยาธิมรณะไม่ได้เลยเป็นอันขาดเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งมวล น, นี้ถูกความเกิดและความแก่เข้าไปประทุสร้ายเบียดเบียนเพราะเหตุนั้นข่าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติ ธ, ธรรมเอาอาวุธยุทโธปกรณ์สร้างสงครามยังไงต่อสู้กับความแก่ทาได้ไห ย่งมากก็ดึงผิวหนังได้นิดหน่อยใช่ไหมนี่ย น, น, นะต่อสู้กับความป่วยไข้ทํำยังไงได้บ้างยากแล้วความตายนี่จะชนะจะมันได้ยังไงความตายดูท่าจะยากยังก็เคยไปงานศพอยู่ที่หนึ่งลูกชายเขาตายโอ้ยร้องไห้กันข้ามครัวนบอกว่าความตายนี่สาเหตุมันอยู่ตรงไหนนะจะไปไปลบจะไปเอาให้มันชนะเลยว่างั้นจะไปคือคืออยากให้ชีวิตมันอมาตะใช่ไหม ไอ้ทีนะ่จะจะต่อสู้ให้มันชนะไอ้ความตายมันจะเป็นไปได้ยังไงเนาะเพราะวาความตายเนี่ยมาตั้งแต่มาพร้อมอะไรมาพร้อมกับความเกิดขึ้นเชื่อว่าความเกิดสิ่งที่เป็นกําไรของความเกิดก็คือความตายเนี่ยนะไม่สามารถที่ใครจะไปฉุดหยุดอยู่ได้แล้วก็ยกตัวอย่างว่าไม่มีใครผัดเพี้ยนต่อความตายได้ว่า พระราชาผู้เป็นอธิบดีเป็นใหญ่ในรัฐทั้งหลายย่อมจะคมขี่สัตราชสัตรูผู้มีเสนาอันประกอบด้วยองค์สี่ล้วนรูปร่างน่าสะรึงกลัวเอาชนะได้แต่ไม่สามารถจะเอาชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจากบวชประพฤติธรรมจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนชนะสงครามมากี้ย่านน้าก็ตามเธอพ้นความตายไหม ในที่สุดนะนะยังกษัตริย์ไม่ใช่น้อยใช่สู้รบไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปตายอย่งไรอเล็กซานเดอร์มหาราชโบราณก็เหมือนกันนะโรบมาเรื่อยก็มาตายนโปเลียนก็รบไปจนตายเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆก็จนตายเจงกิสคานก็ในที่สุดก็ตายนักรบอื่นๆที่รอดตายนี่ยากนะเพราะอะไรเพราะที่สุดของชีวิตก็คือความตายแล้วเอาอะไรมาผลัดวันประกันพรุ่ง ห้ามความตายได้ละ่ะบอกว่าพระราชาบางพวกแวดล้อมด้วยพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าย่อมพ้นจากเงื้อมมือของข้าศึกแต่ก็ไม่สามารถจะพ้นจากสำนักของมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรรมจะไปประพฤติกุศลธรรมจะไปประพฤติอภ ป, ประมานะธรรมคือฌานทั้งหลายแล้วก็เปรียบเทียบต่อไปว่าพระราชา แม้จะเป็นผู้กล้าหารย่อมหักค่ายทำลายพระนครแห่งราชสัตรูให้ย่อยยับไปได้และกำจัดมหาชนได้ด้วยพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าแต่ไม่สามารถจะหักรานเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรรมคชสารทั้งหลายที่ตกมันเรียก ว, ว่าช้างตกมัน มีมันเหลวแตกออกจากกระพองย่อมย่มยีนครทั้งหลายและเข็นฆ่าประชาชนได้แต่ไม่สามารถจะย่ํมยีเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรรมประช้างตกมันเยียบย่าได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถจะเยียบย่าความตายได้นะนายขมังธนูทั้งหลายแม้มีมือ อันได้ฝึกฝนมาดีแล้วเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิงธนูให้ถูกได้ในที่ไกลยิงได้แม่นยำไม่ผิดพลาดแต่ก็ไม่สามารถจะยิงต่อต้านมัจจุราชคือความตายไปได้เพราะฉะนั้นข้าพระบาทจึงคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรรมสะทั้งหลายและมหาปัตพีกับทั้งภูเขาเราวพรยย่อมเสื่อมสิ้นไป สังขารทั้งปวงนั้นจักตั้งอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายถึงจะเจริญสมบูรณ์สักปานใดยิ่งใหญ่สักปานใดในที่สุดก็ก็อะไรก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปเนี่ยนะอย่างตึกรามบ้านช่องทั้งหลายเนี่ยถ้าตึกที่สร้างมานานในที่สุดก็ถูกทุบจนไม่มีเหลือเนี่ยนะก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างใหมก่ก็ถูกทุบไปอีกก็วนวนอยู่อย่างนี้แหละ ว่เพราะอะไรเพราะว่าตึกทั้งหลายก็คือเอาเม็ดหินเม็ดทรายเล็กๆมาปะปะต่อๆ่อต่อตกันเนี่ยนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไปจีรังยั่งยืนมั่นคงและถาวรได้อย่างไรในที่สุดก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปเพราะสังขารทั้งปวงนั้นครั้นถึงกาหนดการแล้วย่อมจะแตกทําลายไปเพราะเหตุนั้นข่าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติธรรมเมื่อสังขารทั้งหลายไหลไปสู่ความแตกทําลายอย่างนี้เราควรจะได้สาระได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก สังขารเหล่านี้อีกหน่อยก็ตายแล้วก่อนจะตายอะไรคือสาระอะไรคือสิ่งที่ควรสแสวงหาแท้ที่จริงชีวิตของสัตว์ทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นสตรีบุุษในโลกนี้เป็นของหวั่นไหวเหมือนแผ่นผ้าของนักเลงสุราก็คือผ้านักเลงสุราให้นักเลงสุราถือธงดูเป็นไงนักเลงขี้เมาอ่ะนะให้ขี้เมาถือธงอ่ะนะ ธงนี่มันสั่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดใกล้ฝั่งเรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งเป็นของหวั่นไหวไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมเพราะชีวิตของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายจริงๆแล้วมันหวั่นไหวมันพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาเอาอะไรมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองว่าไม่ตายเลยนะ <c oughs> เหตุไม่สมควรจะตายก็ ก็ตายนะนะไม่น่าเชื่อเลยพร้อมที่จะตายได้หมดอ่ะผลไม้ที่สุกแล้วย่อมหล่นย่อมล่วงร่วงไปฉั้นใดสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มแก่ตานกลางจะเป็นหญิงเป็นชายย่อมเป็นผู้มีสรีระอันทําลายหล่นไปฉะนั้นเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจับบวชแล้วประพฤติทธรรมเวลาที่เห็น ใบไม้ตกเห็นผลไม้ตกร่วงหล่นก็มาระลึกถึงว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นควรแล้วที่จะเร่งประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าไม่ประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายสังขารอันนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรไปบ้างสังขารคือชีวิตเหล่านี้ก็ดําเนินไปสู่ความตายแล้วเราได้สาระอะไรบ้างเพราะถ้าเราไม่เจริญกุศลอกุศลก็เจริญและเพิ่มพูนอกุศลนําไปไหน แล้วกุศลนำไปไหนซึ่งชีวิตของเราก็ไม่สามารถจะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดไปเพราะดำเนินไปสู่ความตายอยู่ตลอดเวลาเมื่อดำเนินไปสู่ความตายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยนะสาระมันคืออะไรพระจันทร์อันเป็นพระราชาแห่งดวงดาวเป็นฉันใดวัยนี้หาเป็นฉันนั้นไม่ไวิยะวิยะเนี่ยแปล ว, ว่าเสื่อมนะพระราชาดวงจันทร์มันยิ่งใหญ่กว่าดวงดาวทั้งหลายใช่ ถ้าดูจากสายตาธรรมดาเนี่ยนะวันนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะส่วนใดล่วงไปแล้วส่วนนั้นก็เป็นอันล่วงไปแล้วบัดนี้อันหนึ่งความยินดีในการมาคุณของคนแก่คนชราย่อมไม่มีความสุขจากมีมาแต่ไหนแก่ไปแล้วกินข้าวอะไรไหมลุงเรืองกินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วเนี่ยนะนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเลยนะ เราจะหาความสุขมาจากไหนแล้วมันสบายตรงไหนอ่ะนะเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติธรรมตุลาพฤติกาเนี่แหละนะทั้งนั้นนะตุลาพฤกิกาเนี่ยอะเอาจริงไหมเอาจริงนะว่าไม่ได้แปลว่าอยู่จริงนะตัอย่างนั้นก็คือถ้าหากว่าปล่อยให้ความชราพัดพามาแล้วนะจะกินอิ่มนอนหลับจะไปเที่ยวที่ไหนให้มันดูสุขสบายมันก็ไม่ได้สุขสบายอะไรจริงหรอก ยักษ์ก็ดีปีศาจก็ดีเปรตก็ดีโกรธเคืองแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ได้แต่เชื่อไหมพวกผีเหล่านั้นไม่สามารถจะสิงมัจจุราชได้เลยเพราะฉะนั้นข้าพระพุทเจ้าคิดว่าจากบวชแล้วพระพฤติธรรมผียังหลอกได้ไหมแต่ผีหลอกความตายได้ไหมไม่ได้ปีศาจหลอกความตายได้ไหมไม่ได้เปรตหลอกความตายได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วจะเอาเหตุผลอะไรที่จะต้องอยู่ที่จะไม่ประพฤติธรรมละ่ะ คำว่าประพฤติธรรมทวนอีกครั้งนะก็คือการประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายก็คือการเจริญอะโลภเจริญอะโทสะเจริญอโมหะเจริญคุณธรรมเพื่อกำจัดความโลภเจริญคุณธรรมเพื่อกำจัดความโกรธเจริญคุณธรรมเพื่อกำจัดความลุ่มหลงมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระทำการบ่วงส w i n ยักบ่ ong, วงส w i n ปีศาหรือเปรตทั้งหลายผู้โกรธเคืองแล้วได้ แต่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถจะบวงสรวงมัจจุราชได้เลยแต่เราบวงสรวงบนบานผีสางเทวดาเป็นต้นนะบวงได้ใช่ไหมบวงสรวงขอความตายอยากเข้ามาแทรกเลยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรรมพระราชาทั้งหลายทรงทราบโทษผิดแล้วย่อมลงอาทยา ก, กบุคคลผู้กระทําความผิด ผู้ประทุษร้ายต่อราชสมบัติผู้เบียดเบียนประชาชนตามสมควรพระราชานี่มีอำนาจสั่งลงโทษคนที่มีความผิดใช่ไหมแต่ไม่สามารถจะลงโทษอาทยาต่อมัจจุราชได้เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรรมนะมีเหตุผลเดียวที่จะต้องประพฤติ ธ, ธรรมเพราะไม่มีอะไรที่จะต่อสู้กับไอ้ความตายนี้ได้เลย ชนทั้งหลายผู้กระทําความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระราชาก็ดีประทุษร้ายต่อราชสมบัติก็ดีผู้เบียดเบียนป ร, ระชาชนก็ดีย่อมจะขอพระราชาทานอภัยโทษได้แต่หาท ร, ร ม, มัจจุราชให้ผ่อนปรนกรุณาปราณีได้ไม่เพราะเหตุ น, นั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรรมใช่ไหมทุนเรืองคดีทั่วๆไปยังจะพออุทธรณ์ดีกาได้บ้างไนงะ แต่คดีคือความตายไม่รู้จะไปอุทธรดีกากับใครใช่ไหมแต่สวดไปเส้นไปสวงไปอ้อนวอนไปอุทธรดีกาไม่ได้สักอย่างเลยนะเพราะอะไรเพราะความตายไปแล้วใช่ไหมได้ข่าวว่าเพิ่งไปเผาศพมาหลายศพนี่ไม่เห็นอุทธรดีกาอะไรได้สักอย่างเลยเนานะมัจจุราชนี่ไม่ได้มีความเกรงใจเลยว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ไม่เคยเกรงใจหรอกว่าผู้นี้เป็นพราหมณ์ ไม่เกรงใจว่าคนนี้เป็นคนมั่งคั่งนี่มหาเศรษฐีนะยาอย่าไปยุ่งกับเขาไม่แล้วก็ไม่เกรงใจด้วยว่าคนนี้เป็นคนมีกําลังจะเป็นนักมวยเป็นบุรุษยกน้ําหนักอะไรขนาดไหนก็ไม่เกรงใจหรือไม่เคยเกรงใจว่าผู้นี้มีเดชานุภาพย่อมย่อมยีทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่ประพฤติธรรมเพราะว่าใครที่ไม่ตายไม่มีในมรณานุสติ นะการการระลึกถึงการเจริญมรณานุสติรละลึกเถธอว่าผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตทั้งหลายนี่เขายิ่งใหญ่กันขนาดไหนโดยทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเดชานุภาพด้วยอำนาจด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยความยิ่งใหญ่หรือสารพัดอย่างที่เคยมีมีในโลกสิ่งเหล่านั้นก็คนเหล่านั้นก็ตายไปหมดแล้วอีกร้อปีนะคนยุคนี้จะเหลือสักสองคนไหมเนาะคนที่กําลังมีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนะ ร้อปีข้างหน้าจะเหลือสักกี่คนเนี่ยนะโอ้ยเขาลืมชื่อเราหมดแล้วลงุลงเรืองร้อยปีเนี่ยนะชื่อของเราเขาไม่เหลือแล้วเราบัญญัติยังหายไปเลยนะสมมโนโครัวยุคนั้นก็เผาทิ้งหมดนะ่ะเกะกะมันรกชัดไปหมดนะเพราะอะไรเพราะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสรีระก็จะสูญชื่อเสียงนามสกุลเป็นต้นก็จะสูญไปจากโลกไปหมด ม, มีใครจําได้มีใครมาขุดคุยประวัติเราหรอกเจ้านะเขาลืมทิ้งไปหมดแน่ เอาแล้วถามว่าชีวิตที่เหลือนี้ควรจะทำอะไรชีวิตที่เหลือน้อยนิดเหล่านี้ควรจะทำอะไรได้ถ้าไม่ประพฤติทำถ้าไม่ประพฤติทำเนี่ยนะเราก็ถือว่ามนุษย์สมบัติที่เราได้เกิดมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าใช้เปลืองมากเลยนะใช้เปลืองโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้สแสวงหาอริยสัพต์ต่อไปในภายภาคหน้าพกทัพย์ในโลกนี้มันก็เป็นของ ประจำโลกอยู่แล้วไม่ใช่ของผู้ใดหรอกใครมีบุญก็ใช้ไปใครหมดบุญก็ป่วยไปเนี่ยนะก็อยู่แค่นี้แหละราชสีก็ดีเสือโคร่งก็ดีเสือเหลืองก็ดีย่อมคมขีเคี้ยวกินสัตว์ที่ดิ้นรนอยู่ได้แต่ไม่สามารถจะเคี้ยวกินมัจจุราชได้เพราะฉะนั้นาพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจากบวชแล้วพระพฤฒธรรมใช่มเสือเนี่ยมันกินสัตว์ได้ใช่ไหมแต่มันกินความตายไม่ได้เพราะเสือก็ตาย เป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วใครจะไปต่อสู้กับความตายได้นักเล่นกลทั้งหลายเมื่อกระทํามายากลนคือการหลอกลวงท่ามกลางสนามย่อมหลอกลวงในตาประชาชนในที่นั้นให้หลงเชื่อได้แต่ไม่สามารถจะลวงมัจจุราชให้หลงเชื่อได้เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติธรรมใช่ไหมหลอกคนอื่นยังหลอกสําเร็จนะหลอกความตายไม่เคยมีใครหลอกสําเร็จ มันก่อนดูรายการของจินซีห้องเต้เท oh. ี่ยวแสวงหายาว่าทำยังไงจะได้ไม่ตายนะคิดสูตรท่ง่สงส่งพวกเด็กหนุ่มๆเป็นต้นเนี่ยนะไปตามเกาะต่างๆไปหายาทั่วแผ่นดินเพื่อหายาจะได้บำบัดพ้นจากความตายแต่ในที่สุดก็ก็ตายเนี่ยนะในที่สุดก็ไม่เห็นเหลือ ม, มีใครรอดไหมแต่คนเดียว อย่างมากกวเหลืออนุสาวรีหน่อยหนึ่งนะอนุสาวรีย์เขาไปโค่นสะพักอีกไม่เหลืออนุสาวรีก็ไม่เหลือแล้วจะเหลืออะไรบ้างนาะเนี่ยนะนักเล่นกลยังหลอกลวงความตายไม่ได้เลยเพราะนักเล่นกลก็ตายไปเยอะแล้วเนี่ยนะตลกทั้งหลายเนี่ยเล่นตลกได้แต่ว่ามันตลกความตายไม่ตลกนะนะตายไม่ตลกด้วยหรอกเนี่ยนะนะคนเล่นตลกก็เลยตายเลยกันนี่อสสารพิษที่มีพิษร้ายโกรธขึ้นมาแล้วก็ย่อมขบกัดมนุษย์ให้ถึงความตายได้ แต่ไม่สามารถจะขบกัดมัจจุราชให้ตายได้เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจะบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรรมงูนี่มันกัดคนตายมาไม่ใช่น้อยแต่มันกัดความตายให้ตัวเองพ้นตายไม่ได้แพทย์คือหมอผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้คือแพทย์ธรรมมนตรีแพทย์เวตาวรุณนะแพทย์โภชะแพทย์เหล่านั้นอาจจะกาจัดพิษพญานาคได้แต่แพทย์เหล่านั้นก็ต้องทา กาละกิริยานอนตายเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชแล้วประพฤติ ธ, ธรรมนะนะเรียกว่าหมอทั้งหลายใช่ไหมต่อสู้อะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะชนะได้หลายอย่างแต่ในที่สุดหมอก็ตายวิ ช, ชาทรทั้งหลายคือผู้ทรงไว้สึงวิ ช, ชาเมื่อไร้าอาคมชื่อว่าโคระมนก็ย่อมหายตัวไปได้ด้วยโอสถทั้งหลายแต่ก็ไม่สามารถจะหายตัวไม่ให้มัจจุราชมองเห็นได้ นะหนีอะไรยังพอหนีได้หนีความตายจะนี้ไปอยู่ตรงไหนโลกนี้จะนี้ไปอยู่ตรงไหนนะบินไปข้ามไปที่ไหนมุดงไปตรงไหนให้มันพ้นจากความตายได้ไหมไม่ได้ก็มุดไปหาที่ตายนี่แหละเนี่ยนะบินไปหาที่ที่ตายไม่มีใครพ้นโรกเนี่ยนะจะทําอะไรได้ให้มันพ้นจากความตายทําแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธร ท, ทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้ ท่านคิดได้ตอนอายุ16ปีเองเนะอายุ16ปีนี้ท่านมีความรู้มีความเข้าใจได้อย่างนี้ท่านรู้ว่าเมื่อชีวิตทั้งหลายสังขารทั้งหลายดําเนินไปสู่ความแก่และความตายเมื่อความตายมีอยู่อย่างนี้แล้วถามว่ามันได้อะไรบ้างจากชีวิตที่ก่อนจะตายนนะาการประพฤติธรรมนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะการประพฤติกุศลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เลิศที่สุด การประพฤติกุศลธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจประพฤติธรรมเพื่อกำจัดความโลภความโกรธและความหลงผู้ที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ได้มีแต่ความสุขนำแต่ความสุขมาให้นี้เป็นอานิสง์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่อาบายผู้ที่มีปกติประพฤติกุศลธรรมไม่ไปสู่นรกเปรตอสุรกายและเดรฉาน สภาพทั้งสองนี้คือธรรมและอธรรมคือกุศลกรรมบดและอกุศลกรรมบดเนี่ยนะมีวิบากไม่เสมอกันอธรรมคืออกุศลกรรมบดนําไปสู่นรกย่อมยังสัตว์นะส่วนธรรมคือกุศลธรรมทั้งหลายกุศลกรรมบดฌานอภินญาเป็นต้นย่อมยังสัตว์ให้ถึงสุขติย่อมยังสัตว์ให้ถึงสุขติโอ้ถ้าพูดบรรยายให้พ่อฟังได้ขนาดนี้พ่อจะทําไงเนี่ย ยอมให้บวชหรือว่ายอมอยังไงเท่าที่ฟังแล้วคำสองคาลูกก็พูดถึงแต่ความตายประโยคนสองประโยคก็ตายสามสี่ประโยคก็ตายเนี่ยนะเอ๊แล้วก็ถามว่าอะไรมันมั่งจําเป็นของสําหรับคนเกือบจะตายอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรจําเป็นมั่งมีอะไรสําคัญที่คนก่อนตายจะต้องสแสวงหาอย่างเดียวก่อนตายนี่ควรหาอะไรเนี่ยนะ โดยสรุปในอัตถกถาจริยาปิดอกหน้า409ย่อหน้ากลางว่าข้าแต่พระบิดาราชสมบัติของพระบิดาก็จงเป็นของพระบิดาเท่านั้นเถิดของพ่อพ่อก็เอาดูแลไปก็แล้วกันไม่เกี่ยวกับลูกเหมือนกันลูกไม่ต้องการราชสมบัติเลยเมื่อลูกพูดอยู่กับพระบิดานี่แหละพระ พยาธิชราและมรณะก็พึงมาถึงนี่นะพ่อถ้าคืนคุยกับพ่ออยู่ น, นานๆเดี๋ยวก็ป่วยตายเนี่ยคุยกับพ่อก็มีแต่รอความแก่ความตายไปด้วยเพราะฉะนั้นจงหยุดเถิดพระเจ้าข้าไม่ต้องพูดอีกแล้วไม่ต้องขอร้องอีกแล้วข้าพระองค์จะละกามทั้งหลายเหมือนช้างตกมันตัดเชือกหลึกตัดโซ่เหล็กเหมือนลูกสีหา่าทำลายกรงทองฉะนั้นเสร็จแล้วก็กราบถวายบังคมพระชนกชนนีออกบรรพชา กราบอัลาพ่ออัลลาแม่ครั้งนั้นพระชนกคือพ่อของพระโพธิสัตว์คิดว่ากุมารนี้ใครอยาบวชอยากจะบวชก็เราจะอยู่ไปทําไมเราขนาดลูกของเราอายุสิบหกปีแค่นี้เองยังน้อมไปเพื่อจะบวชแล้วเราล่ะแม้เราก็ไม่ต้องการด้วยราชสมบัตินะขนาดลูกของเราเพิ่งสิบหขวบคำสองคาพูดแต่เรื่องตายเนี่ยนะแล้วพ่อมาอายุป่านนี้แล้วจะไม่ตายหรือเนีนะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องสละราชสมบัติออกบัรตชาเมื่อพระราชาเสด็จออกบรรตชาชาวพระนครทั้งสิ้นมีพระเทวีอมาตพรามหมณพฤหบดีเป็นต้นก็ละทิ้งโภกสมบัติออกบวชได้เป็นมหาสมาคมมีบริษัทประมาณ12โยอดประพฤติ ธ, ธรรมพระโพธิสัตว์ก็พาชนเหล่านั้นไปสู่ปา่ปาหิมวันท้าวสกะเทวราชทรงทราบว่าพระโพธิสัตว์ออกบวช ก็เลยส่งวิศณุกรรมเทพบุตรให้สร้างอาสมบทยาว12โยชต์กว้างเจโยชต์มอบบริการบานบรรประชิตให้ครบในที่สุดก็มีการบวชโอวาสสั่งสอนหมู่ประชุมชนให้มีการปฏิบัติธรรมให้มีการปฏิบัติธรรมในที่สุดท้ายที่สุดไปไหนไก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้สมบูรณ์อย่างเช่นพระโพธิสัตว์ก็ไปสู่พรหมโลก ผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่อะนะก็ได้เข้าสู่พรหมโลกรองลงมาก็เกิดในเทวดาเลวกับเพื่อนเลยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตามเดิมแต่ว่าข้อความที่เป็นสาระนะบอกว่าเรานี้จะเกลียดพระมารดาจะเกลียดพระบิดาก็หาไม่ที่ออกบวชนะีไม่ใช่ไม่จะไม่รักจะไม่ผูกพันก็ไม่ใช่หรอก จ ะ, ยดยดจะได้เกลียดยศศักดิ์ใหญ่หลวงจะได้เกลียดตําแหน่งพระราชาก็าไม่ใช่แต่ว่ารักสัพพัญญุตยานหรือสรพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัติเนี่ยนะคือถ้าคิดอีกในหนึ่งเนี่ยนะไอราชสมบัติทั้งหลายหรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราจะอยู่กับเขาได้ตลอดไปไหมจริงจริงแล้วจะอยู่ได้ด้วยตลอดไปได้ไหมในที่สุดเนี่ยนะ มันก็ต้องมีการทพลาดเป็นที่สุดเราให้เราขอจากหรือให้สิ่งนั้นจากเราดีขออะไรดีไหมนะคิดถึงว่าข้อดีข้อเสียหมายความว่าถ้าเรารอให้่ขอให้สมบัติจากเราด้วยเราตายไปตายไปพร้อมกับสมบัติมันก็คือการจากการจากแบบนั้นแล้วได้อะไรมั่งก็ตายแล้วก็เฝ้าสมบัติอยู่แถวนั้นเลยแล้วเขาก็ไล่นี้ออกไปเองนะแต่ถ้าสละสละแล้ว สละแล้วเป็นบุญก่อนจากเนี่ยนะอันไหนจะได้รับประโยชน์กว่ากันนั้นพระโพธิสัตว์นี่ท่านคิดท่านไข้ควรโดยรอบคอบแล้วอย่างไงเสียสมบัติทั้งหลายก็ต้องมีการพลัดพรากจากกันถ้าเราไม่จากทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้จากบริวารจากยากเป็นต้นถ้าไม่จากวันนี้ก็จากวันหน้าในที่สุดแต่ถ้าจากตอนนี้จากขณะนี้จะจากเพื่อไปเจริญกุศลจากเพื่อไปเจริญคุณงามความดีจาก เพื่อไปเจริญบารมีเพื่อบรุพระสัพพัญญุตยานแต่ถ้าหากว่าเฝ้าจนตายอยู่ด้วยกันหมดเลยไปไหนดีไม่ดีก็ชวนกันไปอบายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นท่านท่านจึงคิดคร่ควรวนโดยรอบครอบแล้วเนี่ยนะท่านก็เลยมีการออกบวชแล้วก็ประพฤติ ธ, ธรรมแต่ในที่สุดผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมด้วยการสละอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นผู้ที่สละขนาดนั้นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่สละตาม พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันแล้วส่วนคนที่ตำหนิผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็เฝ้าวัตตะตามเดิมเนี่ยนะโอยทำอย่างนี้ไนดะ้ยังไงเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เฝ้าขันทาาอายตนะต่อไป